ในตอนเช้าทุกวันแล้วก็หิ้วตกะกก้าไปวัดทุกวันนะคะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนทำมะทำโมวันพระวันโกนหรือว่าวันไหนไหนเทวางแม่ก็จะไปทําบุญแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวนอนวัดเป็นว่าเล่นวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15คห้าแม่บอกว่าตอนดึกเนี่ย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 มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณดวงกำมลบอกว่าเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่ า, าตัวของคุณดวงกำมลนเนี่ยมองไม่เห็นนะคะซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ1ิปี ก็ได้เข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วก็หาหน่อไม้กับแม่ในบริเวณใกล้เขตป่าช้าของหมู่บ้านสมัยก่อนตามบรนนกยังเผาศพกันแบบกองฟอนนะคะค้ากลับเนี่ยพอออกมาจากป่าเป็นช่วงใกล้ค่ำแล้วก็ยังพอมีแสงแดดเหลืองๆส้มๆเหลืออยู่หรือว่าเขาเรียกว่าผีตากพระอ้อมนั่นเองพอพ้นออกมาจากป่าช้าทางเหนือก็ได้เป็นเขตทุ่งนาของปู่สักพักหนึ่งก็เกิดลมพัดอย่างแรงเหมือนฝนจะตกหนัก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 แต่ว่าลมเนี่ยแรงพัดจนกิ่งไม้ใหญ่ไหวเอ็น คุณดวงกมลนบอกได้เช่นหนาวสั่นไปหมดเม็ดฝนสาดเข้ามาในกระท่อมนี่ก็ต้องหลบกันใต้กระท่อมช่วงที่รอฝนหยุดตกแม่ก็เอาหน่อไม้มาหัน่นอันที่ไม่เอาก็ทิ้งไปคุณดวงกำมลก็ช่วยคุณแม่ด้วยแม่ก็นั่งหันหน้าเข้าทางป่าช้าส่วนคุณดวงกำมลนั่งฝั่งตรงข้ามคุณแม่สักพักหนึ่งแม่มีอาการลุกลี้ลุกลนมือไม้สัน่นจะบอกว่าแม่หนาวก็ไม่ใช่แม่บอกเสียงสั่นเบาๆบอกว่ า, กวาเก็บของกลับบ้านกันลูก คุณดวงกระมนลก็ทำตามอย่างงงๆค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนึกตั้งคำถามในใจว่าอา้าวไม่รอให้ฝนหยุดก่อนเหรอสองคนแม่ลูกก็เดินจูงมือกันจำ้ำอ้าวอ้าวออกจากตรงนั้นอย่างเร็วท่ามกลางสายฝนแล้วก็ลมแรง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 คุณดวงกมลอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าเล่ามั้งนะคะซึ่งคุณดวงกมลคิดเองณตอนนั้นพ่อบอกให้คุณดวงกมลเนี่ยรีบไปอาบน้ําสระผมเดี๋ยวจะเป็นหวัดโดยปกตินะคะคุณดวงกมลเป็นคนอาบน้ําอ้อยอิ่งอยู่แล้วยิ่งสระผมด้วยก็ยิ่งนานแม่ก็คิดว่าลูกสาวเนี่ยคงจะไปอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามองไปไม่เห็นไฟห้องน้ํามันปิดอยู่คุณดวงกมลบอกว่าไม่ค่ะยังอาบน้ําไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ไปด้วยแค่กําลังจะขึ้นก็เลยแอบได้ยินพ่อกับแม่เนี่ยคุยกันเบา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 เรื่องราวประสบการณ์กับสิ่งลี้ลับนะคะหรือว่าเรื่องผีเรื่องอะไรนี้นะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าจะขอนำเอาเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยอีกเรื่องหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังกันสมัยก่อนใครเดินผ่านวัดพอใกล้จะพ้นเขตบริเวณวัดจะต้องสลัดเท้าเอาฝุ่นเอาทรายออกไปไม่ให้ติดเข้าไปในบ้านเพราะว่ากลัวบาปถูกไหมฮะ คนเก่าคนแก่สมัยก่อนนะคะเขากลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรกันถึงขนาดนั้นเลยนะ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 เปรตลุงมาที่หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเล่าว่าในสมัยที่อาตมาเป็นพระภิกษุได้สองสาพรรษาอยู่ในวัดป่าเหียงเวลานั้นก็ได้มีคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าลุงมาได้มาอาศัยอยู่กับวัดเป็นเวลาหลายปีค่ะนับว่าเป็นคนแก่ที่ดีคนนึงโดยที่แกเป็นคนไม่ถือตัวเป็นคนที่เชื่อฟังถ้อยคําครูบาอาจารย์ขยันหมั่นปัดกวาดทําทความสะอาดบริเวณวัดอยู่เสมอ